แล้วก็อีกวิชาหนึ่งคือมณิกาวิชามณิกาวิชานะหมายถึงวิชาแก้วมณีโจทย์เหมือนเหมือนกับามาส่องดูแก้วแล้วรู้เลย ว, ว่าคนอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยคิดอะไรอยู่เทียบเหมือนกับปราิตนแต่ไม่ได้สำเร็จด้วยอำนาจของสมาธิขั้นชานรู้ใจคนอื่นว่าคิดอะพวกทำท่ารู้ใจเนี่ยเาห็นพวกเล่นกลเล่นอะไรอะไรเขา บางทีเราก็จับไม่ได้เขารู้ได้ไงเนี่ยเราคิดอะไรเราเขียนอะไรใส่กระเป๋าไว้เนี่ยเราก็อาจจะรู้เออเรา เ, าเขียนแล้วเขาเดาถูกรู้ถูกนี้ก็มันเป็นวิธีวิธีทางอันหนึ่งที่จะเดาใจอะไรของเราได้เป็นกลบางเป็นวิชาเป็นมนบ้างแล้วก็บางทีก็อย่างนี้ที่ได้รู้มาพวกรู้ใจเนี่นที เขาเรียกว่ามีมีปลายกระซิบปลายมันรู้นี่ว่าใครคิดยังไงมันก็บอกนี่กําลังโกรธนะกําลังคิดถึงบ้านนะอะไรบอกไอคนถูกบอกมันก็มันก็บอกนะกาลังคิดยังไงอย่างนี้ไม่เชื่อใช่ไหมล่ะอะไรยังไงดาวถูกหมดทํายังก็ว่าตัวเองมีประจิตแต่ไม่ใช่หรอกเขารู้ด้วยวิธีอย่างนี้นะใ้ผลนั้นเดียวกันก็รู้ได้หลายแบบ แต่ท่านปิรินธวัชชาท่านรู้ได้ยังไงแต่เออนี่ยเราไม่รู้แต่รู้ว่าท่านท่านรู้จิตของคนได้แล้วก็ห่อได้แต่วิชาทั้งสองเนี่ยมันมีสองระดับอาจารย์บอกมาแล้วระดับสูงเรียกว่ามหามหาคันธารวิชามหามณิกาวิชา แล้วก็ระดับย่อยเรียกว่าจูละและอาจารยนก็บอกงี้ว่าถ้าเราไปอยู่ใกล้คนที่เ็ามีวิชาใหญ่กว่ามันโดนกลืนหมดคือโดนทำให้เราเนี่ยเสื่อมถอยเพราะพลังเราสู้เขาไม่ได้แล้วก็บอกเลยว่าถ้าไปเจอใครที่ที่เป็นอย่างนี้นะสมัครตัวเป็นลูกศิษย์เพื่อจะเรียนยกระดับความรู้ของตัวเองให้สูงขึ้นถึงขั้นมหา นี่เป็นเรื่องที่อาจารย์บอกฝากฝังกันไว้อย่างนี้นี่ท่านไปรินท่านก็เป็นที่นับถือของผู้คนนักบวชเป็นอันมากวันหนึ่งเนี่ยก็พระผู้มีพ า, าคเสษรเจือกระยือแกก็อยู่แถวแถวนั้นแล้วก็ผิดสังเกตว่าเอะเราทำไมวิชาสึดมันถอยอะ่ะมันไม่แม่นมันไม่คล่องมันไม่ทาได้อย่างที่เคยทาก็นึกคบคุณเรีวว่าสงสยัยพระรมนาโหมเนี่ย ท่านท่าท่าจะมีมหาเราแค่จุละจำเราจะไปขอสมัครเรียนกับท่านก็เลยเข้าไปเฝ้าแล้วก็ทําความนอบน้อมว่าท่านมีมหาคันธาระมหามณาิกาใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ทําท่าว่ามีนะซึ่งไม่ได้โกหกอะฮะมีแต่ความหมายท่านเป็นอย่างหนึ่งก็เลยขอสมัครเรียนพุทธเจ้าบอกถ้าอย่างนั้นก็ต้องบวชอ่ะถึงจะสอนได้เต็มที่ก็เลยบวช บวชแล้วก็ให้บทเรียนกลายเป็นตำลาวิปัสสนาให้ไปทาเลยทาและบรรลุเป็นพระอหรหันต์เลยทีนี้เลยหายอยากเลยแล้วตราวนี้เหาะได้จริงไม่ใช่เหาะด้วยวิชามยยาอีกทีแล้วเหาะด้วยอำนาจของฌานสมาบัติแล้วได้วิชาอย่างอื่นออกมาอีก ครบหมดเลยอภิญญาทั้งหลายเนี่ยท่านได้ครบหมดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าคนเข้าวัดคนมาบวชเนี่ยไม่ได้บวชมุ่งเอาของดีอะจะเรียกว่าของดีของดีอย่างเขาคิดแต่ไม่ได้เอามรักเอาผลไม่ได้มาบวช ด, ด้วยศรัทธาแต่บวชเอาวิชาบวชเอาความขลังแต่ว่ามีศรัทธาปฏิบัติเชื่อถืออย่างที่พระพุทธเจ้าสอน ก็ทําให้บรรลุได้นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งครับของผู้ที่ไม่ได้บวชเอาบรรลุแต่ก็ปฏิบัติจนบรรลุได้ไปองค์ที่สิบชื่อว่าท่านปุณณะตามชื่อเนี่ยแปลว่าถั่วทองเพราะว่าตอนเกิดนั้นบังเอิญที่บ้านท่านมีถั่วทองปรากฏถั่วทองเป็นชื่อของของถั่วชนิดหนึง่งเขาเรียกกันถั่วทองเป็นชาวเมืองสาวกถีเป็นลูกของพลาม ที่มีชื่อว่าสมิที่ไม่ได้บอกว่าเป็นพระมหาศารก็โตขึ้นก็แต่งงานแต่งการมีลูกแล้วหนึ่งคนแล้วก็บวช ด, ด้วยความเบื่อหน่ายในชีวิตคารวะวัเหมือนกับบางองค์ที่ได้พูดถึงแล้วก็เมื่อบวชแล้วก็เจริญกรรมฐานบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วว่ากรรมฐานหมายถึงกรรมฐานสี่ สมถานสี่ไม่มีอะไรโลดโผนนะและท่านไม่ได้เป็นเอตสักคะต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดชื่อว่าจูลวัชชะเป็นชาวเมืองโกสัมพีแวนอูเชนีเป็นคนเกิดใสนสกุลรามเมื่อลำเรียนวิทยาการศิละปะต่างๆจบแล้วก็ได้สะดับเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าว่าทรงมีคุณวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ อันนี้ก็ธรรมดาเราเราก็มานึกว่าโอ้คงเหมือนทําไมนี้นะพระกิติศัพท์ย่อมขจรไปเนี่ยขจรไปจริงๆแล้วผมเชื่อว่ามากกว่าที่พระไตรปิฎกพูดว่าอิทิพิโสพระกวาลัางส้ำมาว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีกิติศัพท์ขจรไปว่าเป็นพระอรหรันจนกระทั่งพระกวาพูดจำแนกทำแค่นั้นน้อยไปคงเหมือนอย่างเราเดือนนี้พระดังๆเราก็โชคดีว่าเมืองไทยเรามีพระมาเข้ากิวต่อแถวกันเลย นะหลวงปู่หแหวนไปมีหลวงปู่อื่นมาตอนนี้ก็หลวงปู่หลวงปู่คูนและต่อไปจะมีหลวงปู่อะไรก็ไม่รู้เข้ากิวตามกันมาเรื่อยแล้วก็ชื่อเสียงก็คนก็เล่ากันไ่เลยขนาดหลวงขนาดสมเด็จพระุทาชาตต้โตตายไปกี่ปีแล้วยัง เ, เอาเรื่องท่านมาเล่าไม่เลิกเลยใช่ไมประวติศาพต์ พ, พุ่งขจรไปพระพุทธเจ้าจะต้องยิ่งกว่านี้มาก คนในสังคมโดยเฉพาะในเมืองแบบวันทีวันๆคงจะไม่ใช่ว่าเออรัฐบาลจะล้มมาไหลแล้วะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างคุยกันเรื่องการเมืองก็จะว่าแม้วันนี้ใส่บาตกับพระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้า ว, วันนี้พระเจ้าเทพเหลืองนั้นเรื่องนี้เมื่อเช้านี้พระองค์นี้สเสด็จมานะโอ้โหนี่รู้ไหมเนี่ยลูกชายบ้านนะ้นเขาบวชไปแล้วนะเป็นอหรหันไปแล้วนี่ฉันยังไปไปเห็นมาทันเลยตอนบวชอะไรเงี้ยคงคุยอย่างงี้ มันมีแต่เรื่องความสุขนี้ก็ธรรมดาคนที่เข้าวัดไม่มีอะไรที่จะคุยแล้วมันกินใจแล้วกับเรื่องธรรมะใช่ไหมคุยข้ามวันข้ามคืนก็ไม่เบื่อเป็นมางคลสังคมสมัยนั้นนะเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรที่น่าคุยคุยแล้วทําให้เกิดความสุขเท่ากับเรื่องคุยเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรียกว่าเป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกวันคนคุยถึงกัน ตัวไปแล้วดูเฉพาะตอนที่จะเสด็จไปไหนเนี่ยคนตามความเคลื่อนไหวตลอดกว่าวันนี้จะไปไหนแล้วก็จะมีมีทั้งว่าหนึ่งคนตามหลังมาตามหลังมาเนี่ยมันมีทั้งพวกตามหลังจ้องจะมาอกาศทําบุญก็มีผมเคยเล่าแล้วอาจจะไม่เคยเล่าแต่เคยเขียนในในเอกาสารให้ดูแหละตามหลังมาจ้องทําบุญบบขาดเรืออะไรเงี้ยมีในพระธรรมดยกเลยแล้วอีกพวกคือตามหลังมาจ้องจะมากินเดน ไปอินเดียแล้วถึงทราบถึงโอ้แบบนี้เองพวกตามหลังอนะโอ้โหมันตามเป็นกิโลไม่ทําไม่ได้ทําอะไรกันเลยเนี่ยจ้องจะไปกินเดนนี่อาชีพ ม, มันครับไปแวะกินอะไรเนี่ยทิ้งกล่องมันไปขึ้นมาดูดต่อนะบางทีมันขยาก็อย่ า, า, ยาดูดแล้วมองหน้าคนทิ้งแม่มึงไม่ไม่เหลืออะไรไว้ให้กูได้ดูดบ้างเลยเขาอดอยากอย่างนั้น แล้วก็เสียงแซกอะไรอคืออึงกันหนึ่งถึงเกิดบรรยากาศเกิดความรู้สึกแกลพลระอรหันต์เป็นอันมากเดี๋ยวนี้ก็ยังพอมีบรรยากาศนี่อยู่เมื่อกิติศัพ์การณ์มาเข้าหูของจูลวัดชะจริงๆชื่อตัวนี่คือวัจชะแต่บังเอิญไปซ้ำกับองค์อื่นๆก็เลยต้องใส่จูนใส่มหาเข้ามาใส่วันะเข้ามาเพื่อให้กาหนดรู้ว่าใครเป็นใครเมือ่อศรัทธาก็ได้ ไปฟังธรรมด้วยอำนาจของศรัท ธ, ธาอันอาศัยชื่อเสียงขอจรมาเมื่อไปฟังธรรมเสร็จแล้วก็ศรัท ธ, ธาได้เลื่อนชั้นไปถึงศรัท ธ, ธาบวชบวชเสร็จแล้วก็ไม่ใช่สักดิ์แต่ว่าบวชไอ้บางองค์เนี่ยศรัท ธ, ธายัางดีตั้งแต่ต้นนะพอบวชเสร็จแล้วกลับตาละปัดนะเดี๋ยวจะว่าให้ฟังว่าใครไอ้คนเนี่บางทีท่าดีทีเหลวไม่ใช่มีเฉพาะสมัยนี้นะสมัยวุฒิกายังนี่ท่าดีทีเหลว ไอ้ท่าดีตลอดนอดฝังก็มีองค์นี้ตลอดนอดฝั่งเนื่องจากว่าตอนนั้นนะครับมันเกิดเรื่องสําคัญที่เมืองโกสาพีเรื่องหนึง่งคือละทะเลาะกันจําได้ไหมทะเลาะกัน เ, เรื่องเรื่องเพน้ำวินัยพวกพวกธรรมพวกพระธรรมาัติถึงพระวินัยตอนแล้วก็ลูกศิษย์ถือหางก็เลยทะเลาะกันเลย ชาวบ้านก็ละสามละสารู้ที่เจ้าสเสด็จหนีคราวนี้น่ะพระองค์นี้แหละครับได้ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์โอกันนี้ก็ให้กติกาเราว่าแทนที่จะไปเข้าข้างพวกนั้นพวกนี้ท่านดึงตัวออกมาจากกลุ่มพวกทะเลาะเห็นแล้วท่านก็สลดสังเวชเอ้ยทาไมทะเลาะ ก, กัอนอนะไรแล้วท่านทําไงแทนที่จะสึก อ, อุปัต วอ๊ะพ oh yeah. ระทะเลาะกันเลยหรือรอะไรเราสึกไม่ใช่ท่านท่านมรณาติการเก่งท่านหลบเข้าไปปฏิบัติธรมรมพระพุทธเจ้าหลบเข้าไปเป็นอุบายทรมานพระสองพวกพระองค์นี้แทนที่จะไปเข้าพวกก็หลบออกมาเป็นผู้อยู่ตรงกลางปฏิบัติธรรมเลยอัทนทะเลาะให้ทะเลาะกันไปปรากฏว่าพวกทะเลาะทะเลาะแล้วไม่ได้อะไรในระหว่างที่พระทะเลาะก็ยังไม่เลิกพระองค์นี้ หลบก็ไปนในป่าทะเล ก, กิเลสตัวเองบรรลุละลานพอบรรลุแล้วก็เพื่อพวกยังไม่เลิกทะเลเลยพิจารณาดูก็เกิดโสมนัสปีตเต อ, อร์คนอื่นเขาทะเล ก, กันเราได้ใช้โอกาสนี้มาประพฤติธธ ร, รมพ้นจากกิเลสเขาพอกปูนกิเลสเราพ้นจากิเลสก็อุทานออกมาให้เป็นที่ปรากฏในพะได้บิกบันทึกคาท่านไว้ด้วย นี่เป็นท่านจุวะวัชชะต่อไปมหาวัชชะท่านมหาวัชชะเป็นชาวเมืองมกข๋อท่านอุทานว่าอุทานแสดงความสังเวชว่าบุคคลที่ทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะแล้วก็ไม่ทำให้เจริญในธรรมไม่ทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่เราพูดละความทะเลาะวิวาท เราได้บรรลุธรรมอั น, นกเกษ์จากอยู่ขัานมหาวัชชะซึ่งเป็นองค์สิบสองเป็นชาวมคตและเกิดในหมู่บ้านที่เรียกว่านาระกะคามเราเอ่ยชื่อหมู่บ้านนี้มาหลายครั้งพอสมควรหมู่บ้านใครครับนาลกะก็อยู่ในละแวกเดียวกับพระสารีบุตรก็เป็นลูกของพรามปกติธรรมดาเนี่นะ นื่องจากว่าท่านไหนอยู่หมู่บ้านในละแวกเดียวกับท่านพระสารีบุตรและท่านพระสารีบุตรเนี่ยถือว่าเป็นเหมือนเป็นดาวของหมู่บ้านนะนะพูดภาษาเดีย๋ยวนี้เป็นดาวของหมู่บ้านเกิดมาในคนก็รู้จักนับถือตั้งแต่พ่อมาแล้วพ่อก็มีฐานะร่ำรวยแล้วก็มาได้ลูกชายฉเฉลียวฉลาดที่คนก็สนใจให้ความสนใจความเคลื่อนไหว กะทั่งพระสารีบุตรเนี่ยมาบวชตอนที่พระสารีบุตรมาบวชเนี่ยแค่เขารู้ว่าท่านมาบวชเนี่ยนะฮะคนออกมาบวชเพราะรู้ว่าท่านบวชหลายองค์อย่างเช่นองค์นี้เป็นองค์หนึ่งปลาลบว่าขนาดคนฉลาดเรียกว่ารูปหล่อพ่อรวยเฉลียวฉลาดอย่างพระสารีบุตรเนี่ยยังมาบวชอุทิตแก่พระสมณโคดม เราไม่รู้จักพระธรรมนาโคโดมก็จริงแสดงว่าพระรมนาโคโดมนี้ต้องไม่ใช่ธรรมดาปลาลบอย่างนี้ก็จึงสนใจศรัทธาพระพุทธเจ้าว่าเราควรจะได้เห็นพระธรมนาโคโดมและถ้ากระไรเราพึงได้บวชอุทิศพระรมณะโคโดมบ้างก็จึงไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้บวชกับพระพุทธเจ้าปฏิบัติทำไม่นานได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปอีกองหนึ่ง ก็ไม่ได้เป็นเอตระกะอะไรนะองนี้องค์ที่สิบสามชื่อว่าวันนวัดฉะคำว่าวันนน่ะแปลว่าป่าวัตฉะที่เกี่ยวกับป่าคืออยู่ป่ารักป่าแล้วก็ที่สำคัญคือเกิดในป่าแม่ก็แพ้ท้องจะเข้าป่ามันเป็นเรื่องไม่ใช่บางอื่น คือพูดถึงว่าท่านเองเนี่ยเป็นชาวเมืองกระบิลพัดเป็นลูกพราหมณ์ครับก็ไม่ได้อยู่ในวังหรอกเป็นลูกพราหมณ์ชาวเมืองกับบิลพัดตอนที่แม่ตั้งท้องตั้งคันเนี่ยแพ้ท้องแพ้ท้องเนี่ยก็มีสารพัดแบบแต่นางนั้นแพ้ท้องอยากชมป่าอยากไปเที่ยวป่า ฝ่ายครอบครัวก็พาไปเดี่ยวป่าไปดูป่านางก็มีความสุขมาแล้วก็เกิดไปคลอดลูกที่ป่ากลางป่าเนี่ยดูคล้ายๆพระบุญเจ้านะคลอดลูกกลางป่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเดี๋ยวผมจะเล่าว่าทำไมถึงว่าไม่บังเอิญพอจเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยท่านวนณวัชชะท่า น, น ได้เป็นคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเล่นกับพระพุทธเจ้าเมื่อยังเป็นเจ้าจะเจริญเติบโตขึ้นมาอัธยาศัยของเด็กคนนี้ชอบป่าอย่างเข้ากระดูกดำมีความสุขกับการเที่ยวป่าอย่างยิ่งอย่างเป็นพิเศษนี่เราก็นึกว่าถ้าบ้านเรามีคนอย่างงี้มาเป็นรัฐมนตรีกรเกษตรสักคนก็ดีนะ ่าคงอยู่กว่านี้อยู่กว่านี้เยอะเลยเยอะเมื่อพระโพธิสัตว์ออกบวชเนี่ยแกก็บวชบ้างแต่ว่าบวชไม่ใช่บวชตามนะไปบวชเป็นดาบทก็อําเ่อรแล้วบวชเราก็บวชบังก็เข้าใจบวชตามเข้าใจตอนนั้นไปบวชเป็นดาบทอยู่คนละที่จนกระทั่งพระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระสมานพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรมะกิตติสัพ เข้ามาถึงหูท่านวัดชะดาบทก็ไปเฝ้าเมื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังก็จึงบวชใหม่ขอบวชเป็นสาวกพระพุทธเจ้าก็ให้ทำให้กรรมฐานเมื่อได้กรรมฐานแล้วก็ไปปรบพฤติกรรมฐานอยู่ในป่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ในป่าทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาที่กรุงกบิลพัทเนี่ย ท่านก็มาด้วยมาด้วยท่านก็มีความรู้เรื่องป่าดีนะเพื่อนก็มาถามเรื่องป่าเรื่องอะไรท่านก็คุยเรื่องป่านในตำราเล่างั้นให้ญาติฟังอธิบายเรื่องเราะรู้สึกจะเป็นคนสันทัดกรณีเกี่ยวกับเรื่องป่าเป็นพิเศษแต่คนเราอาจจะมีคนไปอยู่ป่าแต่ว่าที่จะสันทัดกรณียางท่านผู้นีนะ้น่ะคงจะมีเป็นบางคนท่นะเออ อดีตประวัติของท่านเนี่ยเกี่ยวกับป่าครับคือว่าท่านเคยบวชติดติดกันมาแล้วเนี่ยถึงร้อยชาติคือมีเนคขมมะบารมีสูงคนมีเนคขมมะเนี่ยใจมันฝักใฝ่ไป ต, ตั้งแต่เด็กๆล้ะเมื่อบวชก็อยู่ในป่าแล้วก็ชอบป่า ชอบคนที่อยู่ป่าเคยเไปเห็นพระที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าก็เข้าไปเกี่ยวข้องภูกพันอยู่กับป่ามาเป็นอันมากเลยติดเป็นนิสัย <c oughs> ก็คงจะหมายชาติท้ายๆเนี่ยมาก่อนที่จะมาเกิดเป็นลูกมนุษย์เนี่ยเป็นลูกของของนางพระมณีนะก็ค่ายๆว่าตายในป่าในผระเหลืองในป่า แล้วก็เกิดมาไป็นลูกคนก็เลยแพ้่ทองแม่แพร่ทองอยากจะไปเห็นปากเรื่องแพ้ท้องในโบราณก็เชื่อว่ามีอะไรไปแปลกๆนะเกี่ยวกับสัตว์ที่มาเกิดในทองอาทางคัมภีร์เราเนะ่ะพูดไว้มากเกี่ยวเรื่องอย่างนี้ต่อไปองค์สิบห้าชื่อว่าท่านกุตกุตทะทานะจริงๆอ่านอ่านว่ากุนดักทานะ หรือบางทีบางทีเรียกว่าโกนดะฐานะฐานะแปลว่าทรงกุดดะเนี่ยแปลว่าความชั่วร้ายแล้วก็เราก็รู้เพราะว่ า, ว า, วาเคยเล่ามาแล้วว่าความชั่วร้าย น, น, นี่หมายถึงความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นจากบุปกรรมของท่านที่คนเข้าใจผิดท่านไม่ได้ชั่วอย่างที่คนเข้าใจผิดหรอกท่านเป็นชาวเมืองสาวัว ถ, ถีครับเป็นลูกพราหมณ์ชื่อเดิมท่านนะ่ะจริงๆก็แค่ฐานะเท่า น, นั้นเอง อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ได้ออกบุตบุตด้วยความตั้งใจดีแล้วก็เป็นพระดีจริงๆด้วยแต่คนไม่เลื่อมใสและตัวท่านเองก็บรรลุอะไรไม่ได้ด้วยเหตุผลคือที่คนไม่เลื่อมใสเพราะว่าท่านไปบินทาบาทก็จะมีผู้หญิงเดินตามหลังโยมเห็นเป็นผู้หญิงเดินตามหลัง ผานกุฏิท่านก็เห็นผู้หญิงเดินเข้าเดินออกท่านออกมาจากกุฏิก็มีผู้หญิงเดินออกท่านนั่งอยู่ที่หน้าประตูกุฏิเห็นผู้หญิงเดินควักฝายไปมาอยู่คนข้างในอ่านี่ก็เป็นกรรมเก่าที่ท่านเคยไปใส่เป็นภูมิมัตราเทวดาแล้วไปใส่ลายพระสององค์ที่อยู่ในศีดำมันดีงามโดยจําแรงแปลงตัวเป็นผู้หญิงเมื่อภิกษุเพื่อนองค์หนึ่งหลบขอเข้าไปสู่ภูมิไม้เพื่อ ความเพนกิจส่วนตัวแล้วเมื่อออกมาก็จําแลงแปลงเป็นเพศหญิงทําอาการให้พระเพื่อนที่รออยู่ก็ใจผิดเลยไม่ไม่ลงอุโบสถร่วมกันนะและสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนคือสมัยพระพุทธกาสะปาเนี่ยอุโบสถไม่ได้ลงครึ่งเดือนครั้งอย่างเดี๋ยวนี้หรอกหกเดือนครั้งนะสมัยนั้ น, นแล้วก็สมัยพุทธเจ้าบางองค์เนี่ยถึงกับหกปีครั้งไม่ใช่หกเดือนครั้ง คือถ้าพระพุทธเจ้าที่มีอายุยืนมากคนมีบุญมากความชั่วน้อยอุโบสถการสอบทานวินยัยก็มีความจําเป็นน้อยแต่สมัยพระเจ้าเราเนี่ยอายุน้อยคนมีความชั่วมากการสอบทานวิในคือการสวดปฏิโมคลงอุโบสถเนี่ยก็ต้องทํากันบ่อยเลยทํากันเดือนละสองครั้งอย่างที่ เรารู้กันนี่เป็นบุปกรรมและเพราะเหตุที่คนไม่เลื่อมใสศรัทธาเนี่ยคนจึงไม่ค่อยใส่บาตรใส่ก็ใส่ยังไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ประณีตเลยทําให้ท่านไม่ได้อาหารแต่ปายะนี่ท่านอธิบายกันเลยจนกระทั่งบวชผ่านไปนานนะครับข่าวเนี่ยมันหนักหนาสาหัส ถ, ถึงกระทั่งคนเนี่ยลือกันแซ่ ได้ไปกราบทูลพระเจ้าประเสสที่โกศลให้ทราบว่าพระองค์นี้เป็นอย่างงี้นี่ก็เป็นตัวอย่างว่านักปกครองสมัยก่อนนะไม่ใช่ชั่วช่างทีดีทั้งสองนะพระเจ้าประเศสน่ะถึงก็บตามไปที่วัดเลยแล้วไปสุ่มดูดูแล้วเห็นผู้หญิงจริงๆก็จึงเข้าไปดูให้เห็นกระตาที่ผู้หญิงนอนห้องไหนพอเข้าไปข้างในแล้วหาผู้หญิงไม่ในตะกอนก็เลยรู้เลยว่านี่เป็นกรรมของท่านแน่แล้ว เป็นนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นจากกรรมของท่านสงสารท่านเหลือเกินหอมโจรเนี่ยอยู่ก็ลำบากพวกแล้วย่างนี้จะไปบินสบายใครได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเวลานี้ชื่อท่านเสียหมดแล้วดีนะถ้าเป็นยุคนี้มีหนังสือพิมพ์ขาวแห้งอะโซเสียหนักเลยดีก็ บอกผมอาตมาบรรุโยมบรรลุปัจจัยทั้งนั้นแล้วกันก็โดยหมดกรรมได้โพชนะที่ประนีตพิเศษเลยกินฉันของหลงเลยทีนี้เลยร่างกายกระจกระเจ๋งมีหน้ามีนวนปฏิบัติกรรมฐานบรรลุเป็นพระอาหารหันด้วยความรวดเร็วเลยท่านบอกว่านี่เพราะได้โพชนะสัตปายาทีนี้เมื่อบรรุไปแล้วเนี่ย พอบรรลุแล้วคนก็ยังไม่เชื่อแม้แต่ท่านอา น, นุนนะยังนี่ตัวอย่างว่าแม้แต่ท่านอา น, นุ์ยังไม่รู้เลยยังอาจจะเพะ้อเผลอตกอยู่ภายใต้ที่พลข่าวหนังสือพิมพ์วันหนึ่งลูกสาวของอนาถาที่ไปได้สามีเศรษฐีที่เมืองอื่นในมณฑลพระพุทธเจ้า ให้ไปให้ให้ไปฉันพระพุทธเจ้าก็บอกพระนอนุนบอกให้แจกสลากแต่ให้เลือกเฉพาะพระอริยะพอพระนอนุนขนสลากมาจะมาแจกท่านยื่นมือมาก่อนนะขอรับสลากเพื่อจะไปสู่ที่นิมนต์ท่านอา น, อนคล้ายคล้ายกกล่องสลากนีบงไม่ได้เพราะผู้มีภาคเน้นแล้วต้องต้องอลาต้องอริยะเท่านั้นท่านเป็นใครท่านเป็นใคร ท่านก็บอกว่าท่านควรไปท่านก็ไม่ยอมอาะเลยเรื่องไปถึงมุติเจ้ามุติเจ้าเลยรับรองว่าให้ท่านเถอแล้วก็บอกว่าท่านนี่แหละต่อไปนี้ท่านจะเป็นผู้มีบุญแล้เราจะได้ยกย่องว่าเป็นผู้ที่รับจับสลากก่อนเวลาจะจับอะไรจับสลากอะไรเนี้ยท่านจะต้องได้เป็นคนแรกเป็นคนที่ อะไรที่จะต้องมีการประชันกันแข่งกันเพื่ อ, อจัดอันดับกันเนี่ยท่านจะต้องได้เป็นคนแรกก็เลยได้ับยกย่อยงอย่างนี้ชีวิตท่านก็กลับตรรปัดไปแล้วก็ค่อยๆแก้ความเข้าใจผิดในหัวใจของคนมาโดยลำดับจนในที่สุดก็หลุดทุ่งที่สิบหกนี่พูดไปถึงห้าโมงแล้วหนี่นะพูดถึงห้าโมงแล้วกันฉลองสุดจีนยาวหน่อย จะคงไม่จบสามสิบองค์ที่สิบหกชื่อว่าเทลัตศรีสาเป็นชาวเมืองสาวัตถีเป็นลูกราลามอีกครับท่านผู้นี้นะได้ออกบวชเป็นดาบทก่อนพระพุทธเจ้าบวช ด, ด้วยซ้าและถ้าเล่าต่อไปอีกนิดเดยเราจะร้องอ๋อเลยคะ <c oughs> ท่านเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของชาดินคนพี่ชาดินสามพี่น้องคนพี่ คนพี่คืออุลุเวลากสปะคนลองคือนาทีกสปะใช่ไหมขยากระสป ะ, ะและ้วก็อุลุเวลานาทีขยาไม่รู้ว่าสับปะสามคนมีอยู่ครั้งนึงที่ผมพูดว่านาทีนะ่ะมีคนพี่นะ่ะมีบริวารสามพันความจริงไม่ใช่ ห้าร้อยสามพันนั้นมันโปรตัปาทะปาลีปาจกอับสับสนไปนิดหนึ่งแล้วก็คนรองก็ลดกันมาเป็นครึ่งครึครึ่งรงวมแล้วก็หนึ่งพันพอดีแล้วก็บวกกับเจ้าสํานักอีกสามก็เป็นพันสามคนท่านภูนี้เป็นสิทธิ์ของดาบทผู้พีก็บวชกันมาก่อนนั้นแล้ว ก่อนพุทธเจ้าออกบวชอีกเมื่อพระผู้มีภาคบรรลุ <c oughs> ธรรมแล้วก็มาทรมานนี่ก็พรุ่งนี้เราจะได้ให้ดูว่าอาสมเขาอยู่ตรงไหนมังเอิญมีแผ่นที่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าไปท ร, รมานและ ว, วิธีท ร, รมานเนี่ยใช้ลิธท ร, รมานจนกระทั่งยอมหมดรอยของไหลมาตามน้ำมาถึงอาสมคนกลางคนเล็กก็รู้ว่าพี่ ละทิ้งปฏิัทาเก่าซะแล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็ตามรวบรวมเอาทั้งสามคนเนี่ยครับมาสู่ที่ฟังธรรมที่หนึ่งที่แสดงธรรมที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีสถานที่ที่ปรากฏอยู่ในแผนที่อยู่จนทุกวันนี้พระผู้มีภาคได้ทรงแสดงอาทิตตปาฏิยาเ ย, ยสูตรแก่เขาเหล่านั้นทําให้ทั้งหมดเหล่านั้นบรรลุ เป็นพระอาหารหันต์ด้วยการฟังพระสูตรเดียวกันทีเดียวเกิดพระอาหารหันต์ขึ้นในคราวเดียวกันถึงพันสามองค์ก็มีข้อยืนยันอีกอย่างแม่องคนี้ก็เช่นเดียวกันนะท่านบอกว่าเคยออกบวชมาเยอะแล้วพวกนี้นะฮะแล้วก็อย่างองค์นี้นะตั้งแต่สมัยพระปัทมุตตระก็ได้บวชมาเนี่ตั้งแต่เริ่มสร้างบารมีมาเนี่ยบวชเป็นอุปนิสัยติดตัวเรื่อยมา นั้นอันนี้ผมก็อยากเะแวะมาหาอย่างกรณีรวมๆอย่างเราเนี่ยมันจะมีสาวกอยู่โดยว่าอย่างกว้างๆคร่าวๆสามพวกพวกหนึ่งเนฆัมมะออกหน้าบวชเป็นส่วนมากสองอีกพวกหนึ่งคือพวกไม่ว่าไม่บวชเป็นส่วนมากนะฮะพวกผู้ครองเรือนและอีกพวกหนึ่งคือคนละครึ่ง นวิวาโดยเฉลี่ยนั่นแหละโดยลักษณะบวชบางชาติบวชบางชาติไม่บวชบางชาติก็อาจจะบวชแล้วก็ศึกอะไรอย่างนี้บวชแต่นุม่มแล้วมาศึกนะตอนวัยกลางคนบางคนก็อยู่มาจนถึงวัยกลางคนแล้วไปบวชอะไรเงี้ยสลับกันไปตลาบคนมาดันั้นที่นั่งๆอยู่นี่ก็พูดเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะบางคนอาชาตินี้ยังไม่ได้บวชแล้วรืว่า โดยบาลมียจะเป็นพวกเนกัมมะก็ได้บางพวกก็แล้วแต่ชาติบางชาติก็ไม่ใช่ชาติที่เรามาเน้นเรื่องเนกัมมะเน้นอันอื่นเห็นบางคนเน้นทานบางคนเน้นทํอาออสุตตะธรรมสวณนาบางคนเน้นธรรมเทศนาบางคนเน้นภาวนาในแต่ละชาติอันอื่นเปนตัวลองๆไปผ่านเลยมาถึงอีกองคหนึ่งองค์ที่สิบเจ็ด ชื่อว่าทาสกะอันนี้ก็<ม>ก็จะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตชะตาชีวิตของคนที่เป็นอรหันต์สมัยก่อนเนี่ยอย่างท่านทาสกะเนี่ยตามชื่อเนี่ยมันบอกเลยว่าแปลว่าผู้เป็นทาตผู้เป็นทาตทาตใครและเกิดที่ไหนบอกเมืองเกิดซะก่อนว่าท่านเป็นชาวเมืองสวรรค์และที่ว่าเป็นทาตเนี่ยคือเป็นทาตของอนาตภินิกา แม่เกิดในในท้องของนางทาสีคือเป็นลูกธาตุตัวก็เป็นธาตุแต่ว่าท่านผู้นี้น่ะประเภทเห็นจะเรียกว่าต้นคดปลายตรงมืดมาสว่างไปโชคดีที่มาได้นายดีได้นายเป็นโสดามีกิจการเยอะมีทั้งกิจมีทั้งกิจการวัดกิจการโลกแล้วก็แบ่งให้ บริษัทรทิวานเนี่ยช่วยกันดูแลรับผิดชอบอปท่านนักท่านทาสกะนั้นได้รับผิดชอบให้ดูแลวัดวัดหนึ่งของท่านอนาตาบินติกะเศรษฐีวัดพระเชตวันในนันทเสนาคาว่าให้เป็นผู้ปฏิบัติวัดคือดูแลทั้งวัดเนี่ยนิ่นธแล้วว่า สร้างวัดนละ้วไม่ใช่สร้างแล้วทิ้งไปเลยท่านดูแลส่งคนมาดูแลก็คือคนนี้แหละเพราะเหตุที่เป็นเจ้าพนักงานดูแลวัดนี่แหละครับท่านก็บอกว่าทําให้ได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นพระสารีบุตรเห็นพระโมคคัลลานะไอนี่เป็นธรรมดานะนี่ก็เรียกว่าถ้าเราไปอยู่ใกล้ใครไปอะไรทําให้ได้เห็นคนสาคัญสาคัญได้ รู้เรื่องคือลึกหนาบางอะไรก็ต้อง้นอาจจะดีกว่าคนบางคนได้ามที่ยวงอะเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเราก็ดูดูบางเรื่องเนี้ยเอออาจจะไปถามอ่ะคนนี้คนคนขับรถแต่ขับรถบ้านนี้เขารู้หมดเลยอะไรแต่ไรเกี่ยวกับคนในครอบครัวของคนใหญ่คนโตที่นี่นะฮะอันนี้เทียบให้ฟังคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ใครเขาว่า เห็นได้ยากเข้าหาได้ยากสาหรับนายทาประกาศแล้วว่ากล้วยเห็นจนเบื่อแล้ ว, วจะพูดภาษาเราดีเห็นจนเบื่อแล้วแล้วก็ความคิดธรรมะอะไรๆที่พระในวัดนี้เทศโอ้ท่านได้ฟังหมดเลยไ อ, อ้หมดเลยคงไม่ถูกอะ่ะก็ฟังแล้วโอไม่รู้แต่กี่เรื่องกี่เรื่อง ก็ทั้งได้เห็นทั้งได้ฟังของดีเลยได้มีโอกาสทำบุญก็เกิดศรัทธาศรัทธาปรากฏได้บุญด้วยได้ศรัทธากับงานที่ตัวเองทำอย่างนี้ในที่สุดเนี่ยศรัทธาถึงขั้นตัดสินใจว่าเราก็ควรจะบวชเหมือนกันก็ขออนุญาตเจ้านายเจ้านายยอมไหมยอม ถ้าเจ้านายคนอื่นน่านไม่ยอมแต่นาถาใน่ยอมนอกจากยอมแล้วยังปลดปล่อยให้เป็นไทยเลยบอกเอาละต่อไปนี้เป็นอิสระไม่เกี่ยวกันแล้วก็บวชก็บวชที่วัดนั่นแต่ไม่ได้เป็นยาวาทเพราะว่าเจ้าวาสคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปไหนก็ไปด้วย หรืออาจจะปลีกเล่นไปอยู่ที่อื่นตามความเหมาะสมนั่นอีกเรื่องหนึ่งแค น, นี้เมื่อบวชเป็นพระแล้วมันเกิดเรื่องกลับตาลปัดขึ้นครับนี่อย่างที่ผมว่าเมื่อกี้ว่าคนบางคนน่ะท่าดีทีเหลวไอตอนไม่บวชนี่แม่ศรัทธาดีวาดหวังไว้อย่างโงู้อย่างงี้แต่พอบวชแล้วในนี้ท่านบอกว่ากลายเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจนะหมายถึงขี้เกียจปฏิบัติธรรม ปฏิบัติสมณกิจกินแล้วก็ไม่ทำอะไรกินแล้วก็นอนเห็นแก่นอนและแม้แต่เวลาจะต้องเข้าสู่ที่ฟังธรรมเข้าสู่ที่ทำสังฆกรรมไปนั่งหลบมุมเนี่ยนั่ น, นวนว่าหลบมุมอะนั่งหลบมุมหลับป้างทำแบบไม่เคารพภาระที่ตัวเองจะต้องทาเลยกลายเป็นว่าการบวชของตัวเองเนี่ย เป็นหมันเพราะความเกลียดแค้นต่างตดวพระพุทธเจ้าท่านก็รู้เมื่อได้จังหวะได้โอกาสท่านจึงได้ตรัสสอนคําสอนนี่เรียกว่าสอนกระตุ้นให้ขยนันรู้ว่าในขีดเกียรก็พูดกระตุ้นให้ขยนันแสดงโทษของความเกลียดแค้นพูดอย่างค่อนข้างจะจะรุนแรงก็เลยสํานึกได้กลายเป็นคนขยนัน เกิดความรู้สึกรับผิดชอบในสิ่งที่ถูกที่ควรขึ้นมาและจากนั้นก็ได้สมาทานกรรมฐ า, านอย่างเอาจริงเอาจังและไปสู่ที่ปฏิบัติธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะนไอความขี้เกยียจเนี่ยมันเป็นตัวทําลายทําลายขนแล้วก็ไอ้การปฏิบัติธรรมนี่ถือเป็นความขยันอย่างหนึ่งนี่เราก็นึกเห็นได้ชัดว่าตอนตอนที่ยังไม่บวชทาไมขยันได้นะะไอ้ขยันเรื่อง เว ย, ยาวัฏ จ, จัต่างๆเนี่ยแต่พอบวชแล้วเนี่ยเป็นความขยันในทางนามธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งทำได้ยากอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วจึงต้องเลื่อนความขยันกันใหม่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุเกราะแล้วต่อไปองค์สิบแปดชื่อว่าสิงฆะปิตาสิง้ะปิตาเนี่ยปแปล ว, ว่าพ่อของสิงสิงฆะคือสิงคาละ มานพนั่นเองแต่ตรงนี้หมายถึงพ่ออท่านผู้นี้เป็นชาวเมืองสาวัตถีมีลูกหนึ่งคนคือสิงคาลามานพนั่นเองเคยได้ยินชื่อไหมสิงคาลามานพที่พระผู้มีภาคทรงสแสดงสิงคาลโกวาทสูตรเยสแสดงเรื่องที่ทิถกนี่คือพ่อของเขามาบวชท่านผู้นี้มาบวช ด, ด้วยความศรัทธา เมื่ออายุมากแล้วแล้วก็ได้ประสบความสาเร็จในกรรมฐานที่เริ่มต้นจากอธิกะสัญญาคือทำกรรมฐานที่เพ่งกระดูกได้สมาธิก่อนแล้วก็ต่อวิปัสสนากรรมฐานในป่าแห่งหนึ่งเมื่อไปอยู่ในป่าเนี่ยใ น, ในประวัติท่านบอกว่าความขี้เกียจเข้าครอบ ง, งำ ก็บังเอิญมีเทวดาอยู่ในนั้นต้องการจะอนุเคราะห์เทวดาจึงมาพูดสั่งสอนกระตุ้นให้เกิดความเพียรเป็นเทวดาที่เป็นสาโลหิตเคยเกื้อกูลกันไว้นะครับจนกระทั่งเกิดความละอายเกิดความสํานึกได้แล้วก็ความเพียรเข้าจับหัวใจได้กระทำฌานจนบรรลุเป็นฌานที่เพ่งกระดูก การทําชานเพ่งกระดูกเนี่ยมันมีลักษณะอยู่สองอย่างคือเพ่งอย่างเป็นอสุภะได้แค่ชานหนึ่งถ้าเพ่งอย่างเป็นกระสินนะดูสีขาวของกระดูกก็จะได้ชานถึงชานห้าได้เพะนั้นพวกทําชานเนี่ยเขาจะจะเลื่อนมุมมองเลื่อนมุมกําหนดจนกระทั่งเอาไปต่อวิปัสสนากรรมฐานบรรลุเป็นพระอรหันต์อุปโตภาคาวิมุตติอีกองหนึ่งอันนี้ประวัติของท่านแล้วก็ในประวัติก็ได้เล่าว่าที่ ท่านทำอธิกาสัญญาขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญท่านเคยสั่งสมกรรมฐานอย่างนี้ไว้แล้วแต่อดีตเป็นอันมากโดยเฉพาะอย่างใกล้ๆนี่ก็สมัยพระพุทธกัสะปะเคยทำมาอย่างโชคโชนแล้วก็ติดสันดานท่านอยู่พระพุทธเจ้าจึงมาต่อให้ด้วยกรรมฐานอารมณ์นี้องค์ที่สิบเก้าครับอาจจะได้แค่ยี่สองค์นะองค์สบเก้าคือท่านกุลละเถระ เป็นชาวเมืองสาวัตถีลูกพรามอีกเข่นเดียวกัน อ, ออกบวช ด, ด้วยความเลื่อมใสครับชีวิตก็ดูจะไม่โลดโหนอะไรมากแต่เมื่อบวชมาแล้วก็ปรากฏว่าถูกความพุ่งร้านเข้าครอบนำไม่บรรลุทําอะไรเลยนี่ก็เป็นพวกท่าดีทีเหลวอีกคนหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อท่านไปบินทบาทตามทางโกจรวิทบาท คืออกรณีของท่านเนี่ยเรียกว่าเป็นความขัดแยง้งที่ปรากฏอยู่ในหัวใจของคนคนเดียวกันว่าบวช ด, ด้วยความศรัทธาอยากจะบรรลุธรรมก็อยากจะบรรลุอยากจะขยันก็อยากจะขยันอยากจะสงบก็อยากจะสง บ, สง บ, สงบแต่ไอ้กิเลสเนี่ยมันทําไม่ให้สมอยากยกตัวยอย่างอย่างกรณีคนขี้เกียจเนี่ย มันมีประเภทที่อยากจะขี้เกียจใครกง น, นี้สมอยากขี้เกียจสมอยากบางคนเนี่ยเขาไม่อยากขี้เกียจนะครับแต่มันมีทําให้เหตุที่เขาเขาฝืนความขยัฝืนใจขยันไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าท่านตั้งใจจะทํางานขยันสักอย่างนี้แล้วไปกินยานอนหลับกล่อมประสาทเข้าไปเนี่ยขี้เกียจทันดีใช่ไหมล่ะแต่ในความรู้สึกนี้เราลาคาญจริงๆแต่แม้จะทําก็มือไม้มันอ่อนหมด ตาหรือไม่คือ น, นี่ยมันเกิดไภาวะขัดแยง้งนี่นเรายกตัวยอย่างกรณีที่อิงวัตถุแต่ว่าคนที่อบลมไอเหตุปัจจัยด้านกลงข้ามมาแล้วมันเกิดมาเป็นวิสภากหรไอความขยันเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกว่ามันขัดแย้งกันนี้เราอยากจะขยันแต่ทําไมเราถึงขี้เกียจเราอยากจะสงบแต่ทาไมเราถึงฟุง้งซ่านเลยไม่สมอยากเรียกว่า ยังยังอยู่คือความอยากดีแต่มีความไม่ดีมาทำให้ไม่สมอยากและดีไม่ได้อย่างอยากดีท่านาเป็นอย่างนี้วันหนึ่งเนี่ยครับท่านออกไปบิณฑ บ, บาตก็บอกว่าไปเห็นคนไถน้ำเข้านาไปเห็นคนถากไม้แล้วก็เกิดความนึกอายไม้อายทองไร่ทองนาเพราะมันไม่มีชีวิตเขายังฝึกมันได้ เราไนี่มีชีวิตจิตใจแท้ๆ ท, ทำไมฝึกไม่ได้มันก็เกิดแรงบันดาลใจจึงกลับมาตั้งหลักตั้งสัญญากับตัวเองใหม่ปลุกความคิดความสำนึกที่ดีขึ้นมาจนกระทั่งเอาชนะตัวเองได้หลังจากนั้นจึงบรรลุเป็นพระอหรหันต์องค์ที่ยี่สิบคือว่าท่านอาชิตะท่านอาชิตะนั้นเป็นลูกศิษย์หนึ่งในสิบหกของ พราหมพาวรีไม่ได้รับยกย่องเป็นเอตถะกานะาลูกศิษย์ทิพกที่ได้รับยกย่องคือท่านโมคราชได้รับยกย่องเป็นเอตถะกาว่าเป็นผู้เลิศในทางนุ่งห่มเศร้าหมองอท่านอจิตานี่เป็นชาวเมืองสาวถถัตถีมานกสิบหกคนนะเป็นชาวเมืองสาวัต ถ, ถีหมดแล้วเป็นเป็นคนเกิดในตระกูพลพราหมณ์หมดมีอาจารย์คนเดียวกันหมดคือพราหม์ภาวรี แล้วก็มาฟ้าวพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะอาจารย์ใช้มาให้มาถามปัญหาถามแล้วก็เกิดความเลื่อมใสแล้วก็ได้บวชหมดครับเมื่อได้บวชแล้วพระพุทธเจ้าให้กรรมฐานไปปฏิบัติบรรลุเป็นพระหลานกันหมดก่อนอาจารย์ได้ซาำไปในชีวิต ท, ท่านไม่หลดผลก็ได้ยี่สิบองค์เหลืออีกเป็นร้อยองค์ก็ ขอให้ใช้โอกาสนี้ฟังไว้นะครับเพราะว่าทั้งหมดเหล่านี้ที่จะได้มาฟังชีวิตพระอาหารหันต์อย่างหมดเป็นคำพีคมพีเนี่ยผมก็ว่าเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังอย่างนี้ถ้าจะไม่มาฟังก็ไปหาพระตบีโกอ่านเอาก็ได้นะผมจะแนะนำให้เราจะไปอ่านหนังสือที่เขียนประวัติก็โดยมากก็ มีเป็นบางส่วนทัานั้นเองไม่ไม่ครบอย่างโดยมา ก, กยนิยมเขียนเอตัคขะบางส่วนสักประมาณครึ่งร้อยทั้งพระทั้งโยมวันเสาร์หน้าเราจะพบกันใหม่แล้วก็จะบรรยายต่อไปจนถึงเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมแล้วก็หยุดเมษาเดือน สำหรับพืชพานี้ยังไม่มีอนาคตค่อยว่ากันก่อนที่เมษาที่หยุดเนี่ยออก็เลยจะประชารัมพันธนิดนึงว่าอาจจะมีกิจกรรมถึง่งคงจะที่ที่ปณิาพานันธ์เราก็หยุดรายการปกติแต่อาจจะมีการบรรยายสติ ป, ปมหาปัจฐานปัจเจียกสี่ตามาความต้องการของกลุ่มของท่านโกงก้าเพราะว่าหลายๆท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้ช่วยท่านก็สอนให้สวด มหาปฐานเ อ, อเอตุปัจยโยอรมณะปัจยโยเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ความหมายมอยากจะรู้ทีนี้การอธิบายมหาปฐานเนี่ยรกรณีอันหนึ่งก็คืออธิบายในทางเนื้อหาสาระที่ฟังแล้วเข้าใจได้ทันทีทุกคนอันหนึ่งซึ่งจริงๆยากกว่าการอธิบายเป็นแบบตัวเลขนี่อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานฟังแล้วจะชวนให้เกิดความทราบซึ้งในปฐาน อาจจะดีกว่าเรียนแบบตัวเลขตัวเลขนะั้นฟังตัวนี้แล้วไปต่อตัวเลขก็จะจะเข้าใจความหมายชัดขึ้นแต่ว่าต้องเรียนทั้งหมดอะทุกกรณีแต่นี้ก็เป็นกรณีที่คิดว่าเราจะฟังร่วมกันได้และเป็นความลึกซึ้งในเชิงเนื้อหาไม่ใช่เชิงตัวเลขที่จริงไอ้ตัวเลขเนี่ยมก็พูดได้แต่คนฟังจะฟังไม่ได้เพราะว่าจะฟังแบบตัวเลขนั้นต้องแม่นจิตเจตสิกรูก อ, อยู่ในหัวแล้วก็วิถีจิตนะฮะ สี่เรื่องเนี่ยนี่ถ้าคนไม่รู้ว่าจิตเนี่ยมีอะไรยังไงเนี่ยมาอธิบายเราเขาจะพูดกันแล้วไม่รู้เรื่องผมก็จะพูดแบบที่รู้เรื่องที่ทุกคนฟังได้เรียนเก่าก็ฟังได้เรียนใหม่ก็ฟังดีก็จะก็จะใช้เวลาตั้งกเช้าถึงเที่ยงอจะพูดเดือนเมษานะฮะน เ, เนี่ยเมษานี่ยจะมีอยู่อยู่อาทิตย์หนึ่งที่ผมจะจะไปพมา่า แต่ช่วงนั้นจะจะสอนก็คิดว่าถึงจะใช้เวลาสามอาทิตย์แต่ก็จะมีเวลาครั้งละสองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงก็เท่ากับเหมือนเป็นหกครั้งะนะก็เลยบอกไว้เผื่ออ่วันอาทิตย์ครับที่ที่ปฏิพันธ์ไม่ใช่ที่เหนือเป็นเป็นรายการพิเศษเป็นภาคฤดูร้อนธรรมะภาคฤดูร้อน เรียนแล้วคงร้อนมาก <c oughs> วกันนี้ขอหยุดติท่า น, นี้ครับ